วันทิันอังคารพุธพระเลหัดศุกร์เสาร์ก็พร้อมกันข้าพเจ้าเป็นวันทิศข้าพเจ้าเป็นวันทัน์ข้าพเจ้าเป็นวันอังคารข้าพเจ้าเป็นวันพุธข้าพเจ้าเป็นวันพรเลหัสข้าพเจ้าเป็นวันศุกร์ข้าพเจ้าเป็นวันเสาร์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นวันจมวันฟูข้าพเจ้าเป็นวันอุกาบาตโลกาวินาศทั้งวันทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เย็นกันแต่มาใส่ชื่อนามเพื่อรู้จักความหมายกัน เอกลักษจิงดีวะก็มีแต่มืดอกับสว่างเท่านั้นแหละไม่สามารถจะทำคนให้ดีให้ชั่วได้บาปก็ดีบุญก็ดีบาปก็เป็นของมีอยู่บุญก็เป็นของมีอยู่แต่ไม่ใช่ว่าบาปบุญจะวิ่งไปชนจิตชนใจจิตใจไปสร้างเอาต่างหากค่าๆกับน้องน้ำ เมื่อเป็นหน้าที่น้องน้ําก็ไปหากระบือกระบือไปหาน้องน้ําำจากหาว่าขุ่นหรือน้ำใสก็มาเลีเ้ยงกระบือไปหาไม่ใช่น้องน้ําจะมาหานั่นยันโลกออกมาเป็นอันเดียวคือโลกกิเลตก็ถูก ถ้าไม่มีเกลดก็มาได้มาท่องเที่ยวในโลกหรือจะย้อนโลกลงมาเป็นหลงก็ถูกถ้ามาในหลงก็ไม่ได้มาท่องเที่ยวใ น, ในทะเลหลงองีกทุกวันนี้ถ้าเรายังมปพลนทุก ก็แค่ราบกว่าพวกเราเดินสวนสนามหลงอยู่ไม่มีกรรมากลางคืนสวนสนามแกศสนามเก็ศสนามตายสนามหิวสนามอยากสนามกินสนามขี้สนามนั่งสนามนอนสนามยืนสนามเดินสนามนึกคิดทบทวดผลลัพก็คือทุกข์นั่นก็ยังไม่ข้านทุกข์ก็ยังยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ เพราะยังไม่เบื่ อ, พอเพราะเธอมันอร่อยอยู่มันพอกินอยู่มันพอใช่พอสออยู่ถ้าว่าเธอเป็นโทษล้วนๆทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแลว้วทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งผนณีตแล้วในใจโลกธาตนี่จิตใจมันจะไปติดอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ไป มันเห็นว่ามีคุณอยู่ถ้าเห็นมีแต่โทษ ล, ล้วนๆแล้วมันก็เอื้อมละอาความหลงของมันด้วยจะหวังพึ่งสิ่งไหนก็มีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์จะแล้วในอมิตไพยนอก จะทำสวยหรูหรางดงามสักเพียงไหนก็าตามก็มีหน้าที่เกิดขึ้นแปลผนในแจกสต่รายทั้งนั้นแหละแต่พิดกันแต่ชาหรือเร็วทรงนั้นแหละแน่นถ้าว่าสิ่งทั้งตัวงเป็นของเทีย่ยงกีรังยั่งยืนสมประสงอยู่ทุกๆประการจิตใจก็ได้รับความอบอุน่นก็ไม่มีการที่จะประพฤต หนีจากความไม่สมประสงค์นี่มันไม่สมประสงค์ยังมีการปฏิบัติเพื่อออกหนีไม่เพาะไม่พอใจเพราะมันเป็นเครื่องอบอุ่นอย่างเต็มที่มีแก่มีเก็บมีตายมีปรารถนาไม่ได้สมหวังอยู่ มีทั้งศอกทั้งเขา่าสารพัดที่เรื่อความอบอุ่นมันก็ไม่มีเมื่อความอบอุ่นไม่มีมันก็ไม่ไว้ใจเหมือนนกเขาลกกระถาไม่นอนใจในกองขังจะอิ่มน้าําสํารานสักเพียงใดก็าตามก็ไม่ไหว้ใจขอให้กูได้ออกเถกูไม่บินเคยมาสักทีละ นั่นมันมีอยู่ในหัวใจของมันขณะจิตท่นึกขึ้นเกิดดับ เร็วกว่าพยับแดดอีกด้วยนั่นคือตัวอนิจจังนั่นคือตัวทุกข์ฝ่ายนามขันนามังแปลว่าชื่อมันนามะขันแต่ทักษะบอกว่ามันขันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนขันไปทางทุกข์ของมันไม่ใช่ขันอาสา ขันอยู่มันไก่ขันไปทางทุกข์ของมันรสชาติของมันก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวด้วยปัญญาจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ก็เป็นปัญหาคำว่าให้มีสติก็หมายความว่าให้มีสติเป็นเครื่องออก ให้มีสติอยู่ในความที่ไม่ไหวใจในกองนามรูปแล้กวก็ให้มีสติไม่ให้ไ ม, ไม่ไม่ให้ลืมตัวลืมตนลืมใจลืมธรรม ถ้าโลกเตมไปเรื่อยทุกอย่างนี้ทุกแก่ทุกเก็บทุกตายทุกอะไรต่ออะไรอย่างนี้แล้วมีรสชาติไปอย่างนี้แล้วมันก็ขึ้นขึ้นความสงสัยไปในตัวแล้วความสิ้นความสงสัยไปในตัวก็เรียกว่ากลงขาววิตะและวิสุทธิความมดจดแห่งยาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย ต้องการพ้นไปจากความหลงของตนมันก็เป็นตัวปัญญาเลยวะมุนชิตุกรรมยะตายาปีชาคำหนึ่งด้วยใครจะพ้นไปเสียจะพ้นไปจากความหลงของเจ้าตัวไปเสียจะพ้นจากกกงขังไปเสีย ความหลงเป็นกรงขังโลกกรหลงใครเป็นผู้สร้างขึ้นก็เจ้าตัวเป็นผู้สร้างขึ้นมาหลายภพหลายชาติผู้จะทำลายก็คือเจ้าตัวเป็นผู้ทำลายผู้จะรู้ตามเป็นจริงที่จะถอนตัวออกทั้งหลายต้องเรียบถอนตัวออกเหมือนกุญชรจกลมนั่นเถิดนะ เธอทั้งหลายอย่านอนใจในหลุมมูดหลุมคูดและหลุมถ่านเพลิงเนอะรีบถอนตัวเหมือนกุญชรที่ตกลมเพลิงไหม้ศีรษะเธอทั้งหลายอยู่เธอทั้งหลายจงรีบดับเพลิงเถิด ไฟไหม้ผ้าของพวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะผัดวันประกันพรุ่งมาพรุ่งนี้จึงจะดับมันก็ไม่สมฐานะด่วนไดๆในโลกกาไม่เท่าด่วนให้พ้นจากเกเรตอาสวะไปเสียงานใดๆในโลกกาไม่เท่างาน ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกนวราชสงสารความเพียรใดๆในโลกาไม่เท่าความเพียรเพื่อจะละบาปบำเพ็ญบุญให้พ้นทุกข์ไปเสียปัญญาใดๆในโลกาไม่เท่าปัญญาเพื่อจะทำลายกิเลสทำเล็กกิเลส สติใดๆในรลกาไม่เท่าสติระลึกถึงสติประธานสี่พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเพื่อจะถอนความหลงของตนกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีย้อนลงมาในปัจจุบันเพราะรวมกันในปัจจุบันแล้ว ปัจจุบันนักจิตปัจจุบันธรรมมันใดที่ไม่มีใครจดถือเอาเป็นเจ้าของปัจจุบันนกจิตปัจจุบันธรรมมันนั้นอยู่ใกล้ประตูพระนิพพานเื้อมีกุญแจถืออยู่ในมือแล้วกุญแจสติกุญแจปัญญา กรรมฐานใดๆวิปัสสนาใดๆในใตโลกธาตุก็รวมลงในปัจจุบันนิจปัจจุบันธรรมที่กำลังเห็นอยู่พิจารณาอยู่ณซึ่งหน้านั่นเองหน้าคือหน้าสติหน้าปัญญาจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็ไม่เป็นปัญหา รวมโลกลงมาในลมเข้าลมออกรวมสังขารลงมาในลมเข้าลมออกรวมศีลสมาธิปัญญาลงมาในรวมในลมเข้าลมออกรวมรักผลนิพพานลงมาในรวมลมในลมเข้าลมออกจึงจะไม่สงสัยหาถ้ามาอย่างนั้นก็สงสัยหาและจะสงสัยอีกด้วยถ้าเห็นชัดในอันนี้แล้วจะสงสัยก็ไม่สงสัยในการสงสยัย จะคว่าหาก็ไม่สงสัยในการคว่าหาจะขยายออกก็ไม่สงสัยจะรวมมาก็ไม่สงสัยของเรามีสมมติว่าผ้าของเรามีกี่ผืนเราจะออกตากเราก็ไม่สงสัยเราจะเก็บมาไว้เราก็ไม่สงสัย เราออกตามันมีกี่ผืนเราเอามากองว่ามีกี่ผืนก็ของเก่านะสสนเราก็ไม่สงสัยอีกเราพูดน้อยเราก็ไม่สงสัยเราพูดมากเราก็ไม่สงสัยเพราะมากออกไปจากน้อยจะย่นมากลงมาก็ย่นลงมาหาน้อยเราจะนึกมากคิดมากเราก็ไม่สงสัยเราจะไม่นึกไม่คิดเราก็ไม่สงสัย ข้อมันออกไปจากไกลอดีตเราก็ไม่สงสัยอนาคตเราก็ไม่สงสัยปัจจุบันเราก็ไม่สงสัยผู้บัญญัติอดีตอนาคตก็คือผู้ปัจจุบันเนี่บัญญัตินั่ผู้สําคัญเป็นอดีตก็คือผู้ปัจจุบันเนี่บัญญัติผู้สําคัญเป็นอนาคตก็คือผู้ปัจจุบันเป็นผู้บัญญัตินั่น ผู้เขียนก็คือใจผู้ลบก็คือใจผู้อ่านก็คือใจผู้จำก็คือใจผู้จะทำให้เกิดห้มีก็คือใจผู้จะไม่ทำให้เกิดไม่มีก็คือใจนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิยัติก็ยัดลงที่ใจปฏิบัติก็บัตรปฏิบัติลงที่ใจผลของการปฏิบัติก็อยู่ที่ใจนั่นเรียกว่าปฏิเวทยนลงมาเป็นหนึ่งทีนี้ กรรมฐานก็ฐานตั้งฐานลงที่ใจสมาธิก atte atte ään, ็ตั้งมั่นอยู่ในที่ใจปัญญาก็รอบรู้อยู่ที่ใจตกลงสินสมาธิปัญญาก็อยู่แห่งเดียวกันไม่อยู่คนละมุมโลกฉันทะ่าพอใจรักไข่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในใจวิริยะเพื่อนมันประกอบกรรมฐานที่ตั้งไว้ในใจกิตตะเอาใจฟักไฟในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในใจวิมังสามันติตองพิจารณกรรมฐานที่ตั้งไว้ในใจ นั่นมีความหมายอันเดียวกันศรัท ธ, ธาเชื่อกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียนปฏิบัติกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฟักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้วีมังสามันติตรองพิจารณากรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงทำสี่ห้าประการหรือตั้งเท่าไรก็อยู่ที่แห่งเดียวกันไม่ได้อยู่คนละมุมโลก ล้าข้าเขาช่างตีเหล็กเขาจะตีมากตีน้อยเขาก็ตีลงถูกที่หน้าทั่งมันเองจะตีค่อยตีแรงก็ตีลงที่หน้าทั้งทั้งที่รองตีเหล็กนะ่ะหรือช่างทองก็เหมือนกันหรือเขาสับอาหารก็เหมือนกันจะสับค่อยสับแรงก็สับลงที่เขียง หรือไายกับหายใจจะหายสั้นหายยาวก็หายออกที่จากรูกจมูกหายเข้าที่รูจมูกกันเองนั่นหายสั้นหายยาวก็หายเข้าที่นั่นหายออกก็ดีหายเข้าก็ดีนึกคิดก็ดีจะนึกน้อยนึกมากสักเพียงแล้วก็นึกขึ้นที่ใจนั่นเองนั่นไม่ได้นึกทางอื่นได้ กังขาวิตาละะวิสุทธิความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยโคตรภูยานยานครอบโคตรโคตรเกิดขึ้นโคตรแปรปวนโคตร ด, ดับไปโคตรของสังขารมีเท่านั้นนามสกุลของสังขารก็มีเท่านั้นได้เหลี่ยมของสังขารก็มีเท่านั้นลูกไม้ของสังขารก็มีเท่านั้น รถที่เกิดขึ้นรถรถที่แปรปวนรถที่ดับไปก็คือเป็นทุกข์เราดีๆนี่เองเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดแล้วจะไปสงสัยอะไรอีกก็มีแต่พิจารณาให้ยิ่งเท่านั้น เมื่อพี่กานาให้ยิ่งติดต่ออยู่ไม่ขาดสายความหลงทางหลายก็าขาดสลายไปไม่มีอำนาจที่จะคืนมาต่อสู้ได้ ก็กาลังมากแล้วกําลังปัญญากําลังปัญญาเหนือกําลังหลงแล้วความหลงก็แสดงปาฏิหารไม่ได้ ถ้าากว่ามรรคผลนิพพานเป็นของเหลือวิสัยไม่มีใครจะทําได้ว่าถ้ากล่า ว, ว่าประกาวตู่พระพุทธศาสนาประกาวตู่พระบรมศาสด า, ศาองค์พระศิษฐาถานี่โง่นักไม่มีใครสามารถจะทําได้ก็มาเทศข้าข้าก็กล่าวตู่อย่างนั้นแหะพระพุทธเจ้าทั้งหลายบางคนโง่ทัพ์ทั้งหลายไม่สามารถจะปฏิบัติได้ก็มาเทศนา แต่ทั์ทั้งหลายมันมีกำลังผู้มีกำลังอยู่มีกำลังใจกำลังปัญญาของเขาที่สร้างมามันไม่เสมอกันผู้มีบารมีแก่ล้าเขามีอยู่ไม่มีแต่ผู้อ่อนผู้อ่อนก็ฝากไว้ผู้ที่เก่าทั้งหลายในข้างหลังผู้แก่เขาเข้าไปขอโคหนุ่มก็ตามโคแก่ก็ตาม ตระกูลต่ำตระ ก, กูลสูงก็าตามตัวไหนที่อยู่ปากคอกพอนายโคบานเปิดประตูโคตัวนั้นก็ต้องออกก่อนหมูฉัในใดก็าตามฉัในใดก็ดีตระ ก, กูลต่ำตระ ก, กูลสูงก็าตามท่านพระไร้อบรมสติปัญญามานานแล้วเขเรียกว่าอยู่ใกล้ประตูพระปัญญาแก่กล้ามาแล้ว ก็ออกค อ, อกก่อนหมูเขามาค้าหักคือนี่ก็มาตัวมีฝีเท่าดีมาค้าหักคือคนออกปฏิบัติมาแต่นานแต่สติปัญญาไม่แตกฉานเฝ้าวันเฝ้าคืน เอาอายุพันศาเฉยๆบางท่านที่นี่มาค้าดีมันออกวิ่งทีหลังทีนี่มันก็ทิ้งมาค้าหักไว้มันไปไกลตั้งหลายโยดทั้งวิ่งก่อนด้วยทั้งมาค้าดีด้วยก็ยิ่งไปไกลที่นี่แต่วิ่งก่อนก็จริงแต่เป็นมาค้าหักที่นี่ <c oughs> มันก็มันก็ซู่ม า, าที่ วิ่งตามหลังไม่ได้นั่งเหตุฉะนั้นบางท่านพอได้รับธรรมเทศนาแล้วก็พ้นจากเกลเอกไปเสียสิ้นความสงสัยไปเสียเทศกันเดียวกันฟังอยู่เวลาขณะเดียวกันบางท่านสําเร็จพระโสดาบันบางท่านสกทาคามีบางท่านอนาคามีบางท่านพระลาน บางท่านก็ลงในรกทั้งเป็นบางท่านก็ปาฏินาเป็นสาวกบ้างซ้ายบ้างขวาพระพุทธเจ้าองค์จะมาในอนาคตเพราะเหตุใดเพราะเหตุระดับจิตสติปัญญามันอยู่ในระดับเดียวกันเพราะบารมีสร้างมาไม่เหมือนกันคนอยู่นี่บางท่าน มันก็สร้างบา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วจะดูถูกกันไม่ได้บางท่านก็พึ่งอะไรมาเป็นมนุษย์คนอยู่ในใตโลกธาตุทีนี้เราไปเห็นเขาเออมึงพึ่งบวช มึงเพิ่งปฏิบัติที่หลังกูแต่ ว, ว่าพบก่อนชาติก่อนเขาปฏิบัติมามากแล้วก็อาจเป็นได้มาวล้วลยังไม่ถึงเขามาในออกในชาตินี้เขามาออกทีหลังนี่นี่สิ่งที่สําคัญอยู่อีกว่าผู้เห็นความเกิดความดับพโก้โดยใจความก็คือเห็นอันนี้จัง มีชีวิตอยู่วันเดียวยังดีกว่าผู้มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีมาเห็นความเกิดความดับคือไม่เห็นอนิจจังเทดสอบอีกเหมือนกันมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ไม่เห็นความเกิดความดับจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีประตูเครื่องจะเบื่อนหน่ายในวัตาสงสาร บุกคลผู้จะเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารก็ต้องเห็นความเกิดความหลับเห็นทั้งขารทั้งหลายเม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นหลักหัวใจเท่านั้นถึอมายินดีหรือใหญ่ดีในโลกทางปวงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยยัดเยียดบเบียดเสียดอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนหาระวังไม่ได้เมื่อความเบื่อหน่ายใครมาในวัฏฏสงสาร ไม่ลองหามันก็มาเองนั่นพิจนาให้พอเท่านั้นภาวิตาพระองร์รกตาสังวัตตันติอภินญญายะนิพานายะจโพธยาท่านทั้งหลายจงพิจนาให้ยิ่งนึ่ พิจารณาเรื่องให้ติดต่ออยู่ไม่ขาดสายเธอ้อความสำเร็จหากยักมีแก่พระท่านทั้งหลายดอกทำอันนี้ไม่ใช่ทำพูดเดาโดดนและฆ่าคะีนนลงมือทำให้ถูกจริง ถ้ามันเห็นชัดในตัวแล้วมันก็ไม่ต้องบังคับมันต้องการพิจารณาเองมันถ้ามันยังได้บังคับอยู่ก็เรียกว่าเห็นธรรมมาชัดบังคับให้มันหมันด้วยให้มันขยันด้วยอย่าให้มันเห็นแก่กินแกนอนมาก ถ้ายังมีบังคับอยู่ก็เรียกว่ามันอยางมาเห็นชัดถ้ามันเห็นชัดอะมันไม่บัมันไม่มได้บังคับมันเองหรอกมันดูใจของมันเองความง่วงเหงาเ้านอนของมันก็ค่อยระงับไปแค่หนห้เราจะได้นอน มากฉะนั้นเราจะได้กินมากฉะนั้นเราจะมีผู้นับถือลือดีมากถ้าจิตท่านผู้ใดยอยู่ในระดับนั้นไม่เคลื่นง่ายจิตใจลำบากฟืดเหมือนลากไม้ทางปลาย เหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาต้องยอมเสียสละหมดในโลกนี้ถ้าไม่มีใครปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติคนเดียวถ้าไม่มีใครให้อาหารและเครื่องนุ่งเครื่องหม่ม ที่อยู่ที่อาศัยถ้าตายไม่มีใครเอาเราไปเผาเรากจ็จะอุทิศให้ทายกทายกามดหรือนอนต้องคิดถึงอย่างนั้นจึงได้ถ้าวิตัววิจารอยู่แล้วก็ไปไม่รอดละจึงแ่านี้ เราปฏิบัติเพื่อคนทุกข์นะว่าตาสงสารไปทางไหนอยากให้เขาน็อปจนมือเป็นงอนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเราก็ไม่ได้ปฏิบัติไงไปทางไหนก็ให้เขาเอามือน็อปเป็นสองแถวเลยทางถนนจนมือเป็นงอน ให้เขาหามไม่ผู้นับถือหรือดีไปทางไหนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเราก็ไม่ได้ปฏิบัติไม่ผู้ไม่มีผู้ให้กิน เราก็จะนอนภาวนาตายถ้านั่งไม่ได้ไม่ให้ผู้ไม่มีผู้ให้เครื่องนุ่งหม่มเราออกมานอกไม่ได้ไม่มีอะไรปกปิดกายอวั ย, ยวะเราก็อยู่ในที่รับจะนอนภาวนาตายถ้านั่งไม่ได้มันต้องนึกถึงอย่างนั้นถ้าไม่นึกถึงอย่างนั้นแหละไปไม่รอดละ ถ้ามีมครายให้เครื่องนุ่งห่มแล้วจะเย็บใบไม้มานุ่งใบต้องแห้งถ้าว่าเราหวังดีในมรควนนิพพานหวังดีในเครื่องพ้นทุกข์ในวัตาสงสาร ถ้าเราเห็นว่าทุกจริงๆริมเสมอหน้ากองแล้วไม่มีต่ำไม่มีสูงเลยในไตโรคกระท่าอันนี้ความลืมตัวจะมาจากประตูไหนนั่นถ้านั่นมันก็พอแล้วไม่ต้องพูดไปมากดอกแต่ก่อนไม่ต้องพูดไปมากดอกแต่ทุกวันนี้ภาษาไทยปลอกก็มีแล้วไม่รู้ว่าอันไหนมันถูกแต่ว่ามันถูกทุกอัน เพราะภาษามันเพิ่มขึ้นแต่ก่อนเคยได้ยินแต่ว่าเท่าไรเนี้ยนี่เท่าไหร่ <Okay. S 1> เท่าไร ก, กว่ามีเดียนี้มีหัวนหน้าด้วยมันเพิ่มขึ้นอีกอภาษาไทยเรามัน ดเด่นกว่าคําสอนของพระพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธศาสนาฉะนั้นเป็นมหาอาจารย์เอกในโลกไม่ได้ตื่นไปไหนเลยศาสตราอาจารย์ในโลกนี้ไม่เท่าคําสอนข อ, สของพระพุทธศาสนาเพราพระพุทธศาสนาสอนลงในที่ใจมีเหตุมีผลลึกซึ้งกว่ากันมาก คำสอนอื่นๆไม่ด่าดื่นท้องถิ่แต่ไม่ใช่คำสอนเพื่อจะบรรเทากิเลสให้เบาบางเรื่องกระแทงหายไปได้บางสิ่งบางอย่างเป็นเครื่องเพิ่มกิเลสได้ด้วยเช่นเต้นรำครับร่องอย่างนี้เป็นเรื่องเพิ่มกิเลสบาบาเบเบบ้าบ้าบ้าบ็เหมือนกันเป็นเรื่องเพิ่มกิเลสแข่งมากแข่งวัวเขาเป็นเรื่องเพิ่มกิเลสนักมวยนักชกนักต่อยเขาเป็นเรื่องเพิ่มกิเลส คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมสิ่งไหนที่จะทําให้ราคะโทสะโมหะกําเริบขึ้นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมสิ่งไหนที่จะบันทอนและห้ามล่อหรือห้ามเบิกหรือบันเทาสิ่งนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธศาสนาสิ่งไหนจะทําราคะให้จัดขึ้นสิ่งไหนจะทําโทสะให้เพิ่มขึ้น สิ่งนนจะทำโมหะให้เพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพญามารมาโลปาปิมะผูมบปะนิยานิโกุธรรมธรัตสาลีคำสอนของพระบรมศาสดาเป็ น, นยานิกระทานำผู้ปฏิวัติให้เบาบางในราชกิเลส รือเหงือแห้งหายไปโดยเด็ดขาดตามสิติกําลังของตนที่ประพฤติน้อยและมากโดยเป็นเสียท่าเป็นของสดสดร่อนๆอยู่ทุกการทุกเวลาไม่ใช่ของบูดของเน่านึกมาเวลาไหนก็เป็นของใหม่อยู่เป็นของเอี่ยมอยู่ของเก่าแต่ว่าเป็นของใหม่ไม่เศร้าไม่มองไปไหนเหมือนทองคา อาหารที่เราดื่มอยู่ทุกวันนี่มีบูรมีลาเป็นธรรมะของพระบรมศาสด า, าไม่มีบูรมีลาเลยเเป็นคำสอนที่เหนือโลกไม่มีศาสตร า, ตาจารย์ใดๆจะมาสอนให้เก่งไปกว่านี้เป็นแว่นดวงใจเป็นแว่นดวงธรรมของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่ทุกการทุกเวลาด้วย ทุกยุคทุกสมัยด้วยเป็นคำสอนในอ ด, ดีด้วยเป็นคำสอนที่มีเมตตาสัมปยุตญอยู่ในตัวด้วยมีพระมหากรุณาส่งอยู่ในตัวด้วยถ้าเป็นคำสอนที่มาให้เบียดเบียนกันล่าเก่าคำสอนเบื้องต้น ก็คือสินห้าเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาแม่เป็นหลักแม่กฎหมายด้วยแม่กฏแม่แม่กฎหมายของชาวโลกด้วยชาวโลกใดๆที่ตั้งกฎหมายขึ้นไม่มองดูศีลธรรมพระบรมศาสด า, า, าแล้วก็ไปไม่ไหวเหลิงเยอ นกฎหมายจึงได้ยักย้ายเปลี่ยนแปลงตัดออกเพิ่มเข้าอยู่เป็นเนืองนิดก็เพราะยังไม่สมบูรณ์ในธรรมะนั่นเองส่วนกฎคําสอนของพระบรมศาสตร า, ศ า, ศาไม่ได้เพิ่มเข้าไม่ได้ตัดออกสอนตายตัวจึงทรงพระนามวโรกาวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลก อนุตตรโยเ ย, ยมปุริสาธรรมสารถิตฝึกฝนดีเหมือนนายสารถีฝึกฝนมาศรัทธาเทวมนุษยานังเป็นที่สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยไม่จนมุมด้วยไม่เป็นคําสอนอัตตาธิปไตยด้วยไม่เป็นคําสอนโลกาธิปไตยด้วยเป็นธรรมาธิปไตยโดยตรงด้วย เป็นคำสอนที่มันเข้าข้างตัวด้วยเป็นกลางด้วยตอนนี้ผิดก็บอกว่าผิเดเรียกว่าเป็นกลางตอนนี้ถูกก็บอกว่าถูกเรียกว่าเป็นกลางไม่ได้ลาเอียงค่าๆกับดิ่งไม่ได้ลาเอียงไปกับใครค่าๆกับระดับน้ำไม่ได้ับเอียงไปกับใคร เราเลื่อมสายพระพุทธศาสนาไม่ได้เลื่อมสายด้วยอามิตธเลื่อมสายด้วยคําสอนที่มีเหตุผลพอแม่ตัวของเราเขามันเห็นพระบระมาสารีราเลยเห็นแต่รูปประเทศเอินเดียเราก็มาเห็นด้วยแต่วาดภาพเอาภูเขาคิดจะกูดคงจะอยู่อย่างนั้นมันวาดภาพออก เพราะควาเมเรื่องใสมันมีทํา่ําสุกระคาตาสุกร์้าตาอยู่ข้างภูเขาคิจกูดมันก็วาดภาพเอาเพราะมันเรื่องใสเหีียวที่ทิ้งโจรมันก็วาดภาพเอาเพรามันเรื่องใส่ถ้ำสตะม น, นะภูคูหา ข้างภูเขาเอภานบรรพตมันก็วาดภาพเอาสตัตตมพระเจดีอุเทสิกะเจดีเหล่านี้ก็ดีจัตตมพนะเกดีพระหูปุตตะเจดีสารันทะเก ด, เกดีเหล่านี้มันก็วาดภาพเอาเพราะมันเลื่อมใส เห็นแต่รูปอิดรูปปูนก็น่าเลื่อมใสแล้วยังไม่เห็นตัวท่านเลยถ้าสมมุติว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าแล้วดูมันขลังในตัวเลยมันเคารพในตัวเลยเพราะมันเลื่มใสเพราะมันเชื่อถือจะเป็นวาดรูปไว้ที่กระดาษก็าตามมันก็ไม่กล้าข้ามไม่กล้าบวด น, น้ำลายใส่มันต้องเอาไว้ที่สูงเพราะมันเคารพพอ ไม่มีใครบังคับมันคาและโมเจนิวาตวูความเคารพเอตมังคารมุตตะมังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่นี่เดี๋ยวๆขม้าทาั้งนี้เว้ยหิมะหิม า, มาขม้าทางัง ท่พรพุจากเกเรไปทั้งปวงแล้วไม่ได้ยุ่งกับพวกเราพวกเรามันยุ่งกันเดี๋ยวนีนะ้ยุ่งกับปัญหาปัญหาอะไรต่ออะไรสารพัดมันมากองอยู่ในโลกเราก็ลุยปัญหาเหล่านี้แหละอระพารหันทนลุยตกแล้วลุยปัญหาเหล่านี้ตกไปแล้ว ท่านเขาสู่พนันธุ์านไปเสียเหนือแต่พวกเราลอยทะเลทุกข์อยู่นี่ทะเลปัญหาทะเลโรคทะเลกูดทะเลหลงทะเลปัญหาทางปวงแก้อันหนึ่งก็อันหนึ่งมาอีกแก้อันหนึ่งก็อันหนึ่งมาอีก mm hmm. ทุ่มเทมันละภาพไปแล้วนะไม่มีใครเสร็จเสร็จงานตายคา ง, งานทุกๆ ท, ท่านไม่ตายคา ง, งานแต่พระหันจำพวกเดียวเพราะงานอะไรก็สําเร็จหมดแล้ว จำก่อนนั่นลงมาก็ตายคางานทั้งนั้นแหละอนาคูลาอย่าให้งานอากูลงานอากูลหมายแต่ทางงานอามิเป็นต้นไปท่น ง, งานทําการทํางานอะไรอย่าให้อากูลถ้าเสร็จไปเป็นชิ้นๆเรียกว่าอนาคูลามาให้งานอากูล แต่งานในทางพลวัตของพระอริยเจ้ทาทั้งหลายพระโสดาบันแล้วเสร็จงานไปเป็นตอนตอนพระสกทาคามีก็เสร็จงานไปเป็นตอนตอนพระอนาคามีก็เสร็จงานไปเป็นตอ น, ตอนพระอรหันต์เสร็จงานไปหมดแล้วงานไม่อากูลเพราะไม่มาเกิดแก่เกตายอีกแปล ว, ว่าเสร็จงานหมดแล้วไม่มีโรคไม่มีโขดไม่มีหลง เรียกว่ามหาอนาคูลางานไม่อากูลไม่ได้เป็นหนี้า ง, งานไม่มีปัญหาในงานเพราะจบกิจงานกิจธุระของงานแต่พวกเรายังเป็นทาสของงานอยู่เพราะยังแก้ไม่ตกหมด เป็นนี่เป็นศีลตัวเองตนสร้างนี่ใส่ตนเองโรคโกรธหลงเป็นตนสร้างใส่ตนเองไม่มีใครมาสร้างให้วิดาบรรดาก็ไม่ได้สร้างตนสร้างใส่ตนเองของใครของมันต่างก็เป็นนี่โรคนี่โกรธนี่หลงของใครของมัน นี่เกิด น, กนี่เก็บนี่เก็บนี่ตายเป็นนี่ทุกเป็นนี่ลําบากนี่หนทางเดียวที่จะปฏิบัติใช้นี่จะของให้จบมือเห็นโทษในโลกอย่างเต็มที่ เห็นโทษในโกรธอย่างเต็มที่เห็นโทษในหลงอย่างเต็มที่มันจึงจะข้ามโลคโกรธหลงได้ถ้าไม่เห็นโทษจึงเหล่านี้แล้วก็ข้ามไม่ได้เพราะมันยังอร่อยอยู่มันก็ต้องชิมน้อยชิมมากอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเห็นโทษชัดๆแล้วมันก็ข้ามไปเองมันเห็นโทษในสนามเวรสนามภายชัดแล้วถ้าไหนมันจะอยากจะสร้างอีกมันก็ไม่สร้างละ คุณมหัรโทษอ น, นันต์ถ้าสิ่งไหนที่มีคุณแล้วกลับเป็นโทษสิ่งนั้นก็มีโทษร่นร้วนพระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นสิ่งไหนมีคุณแล้วไม่กลับเป็นโทษสิ่งนั้นก็มีคุณลนร้ว น, วนสิ่งที่มีคุณนร้วนก็คือคุณพระนิพพานสิ่งเดียวเท่านั้นเหลือนอกนั้นมีโทษทัมนประยุทธ์อยู่ พนิพพานก็คือดับเพลินในกองทุกข์ถ้าดับเพลินในกองทุกข์แล้วก็เป็นพระนิพพานเท่านั้นเพลินในเกิดในแก่ในเก็บในตายเพลินในโลภในโกรธในหลงก็คือเพลินในกองทุกข์เราดีๆนี่เองนั่นถ้าเห็นโทษสิ่งใดอย่างเต็มที่มันก็เว้นอย่างสิ่งนั้นอย่างเต็มที่แล้ว มันเว้นอยู่ในตัวมันที่มันมันไม่เห็นโทษอย่างเต็มที่มันก็เว้นไม่ได้ใครๆก็เหมือนกันเมื่อเห็นโทษสึงใดอย่างเต็มที่แล้วสิ่งนั้นก็คือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาในชั้นนั้นอยู่ในตัวก็คือพุทธธรรมสงฆ์อยู่ในตัวแล้ว จะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็ตามก็เป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาตัวพระพุทธารรประสงค์อยู่ในตัวแล้วอะไรเพราะไม่จจำเป็นจะไปใส่ชื่อนามมากมายนักชื่อไม่สำคัญ จะชื่อว่าบุญสักเพียงไหนก็ตามถ้าเนื้อเรื่องทามันไม่เป็นบุญมันก็ไม่ใช่บุญจะชื่อว่าบาปสักเพียงไหนก็ตามถ้าละไม่ถูกถ้าเว้นไม่ถูกมันก็เป็นบาปอยู่ในตอนนั้นน่ะจะใส่ชื่อลือนามว่าเป็นมรรคผลที่ผ่านสักเพียงใดก็ตามเมื่อเหตุผลไม่พอมันก็เป็นไม่ได้ จะใส่ชื่อเลยนะว่าพระละหันสักเพียงไหนก็ตามแต่เมืม่อวัยพุทจากกิเล์มันก็เป็นพระละหันไม่ได้พระละหันพระละหันเป็นคําชื่อแต่รสชาติของพระละหันไม่ใช่คําชื่อเสียแล้วรสเผ็ดรสเค็มเป็นคําชื่อแต่รสธรรมชาติของรสเผ็ดเค็มไม่ใช่คําชื่อเสียแล้ว มันเป็นของจริงอะไรจะชื่อหรือไม่ชื่อมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นใครเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นก็จิตใจดวงเดียวเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นใครที่จะข้ามปัญหาทั้งหลายก็คือจิตใจ แคนั่นเองใครจะทําตนให้สูงขึ้นจากความหลงของตนก็คือจิตใจท่านั้นใครทําให้ตนต่ําลงก็คือจิตใจท่านั้นใครเป็นผู้รู้จักคนทางก็จิตใจท่านั้นใครเป็นผู้หลงทางก็จิตใจท่านั้นเหตุผลอยู่กับคนผู้เดียวเหตุดีผนดีก็อยู่กับคนผู้เดียว เหตุชั่วคนชั่วเขาอยู่ก็คนพูเดียวเพราะคนั้นมันผู้สร้างขึ้นจะพึ่งตนได้หรือไม่ได้ก็คนผู้เดียวหวังพึ่งตาหูจมูกเลี้กายก็หวังมันพึ่งไม่ได้สนิดหวังพึ่งดินน้ำไฟลมก็หวังพึ่งไม่สนิท เพราะเขาก็ไม่ได้ยืนยันว่าเขาเป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมเขาก็ไม่ได้รับปฏิญญาว่าจะเป็นสมบัติของท่านผู้ใดแล้วเขาก็ไม่ได้รับปฏิญญาว่าจะเบียดเบียนใครอีกเหมือนกันปัญหาของเจ้าตัวเจ้าใจต่างหาก จะทำให้มากก็ใจเป็นผู้ทำให้มากจะทำให้น้อยก็ใจเป็นผู้ทำให้น้อยจะเขียนก็ใจเป็นผู้เขียนจะเรียนก็ใจเป็นผู้เรียนจะลบก็ใจเป็นผู้ลบจะท่องบนก็ใจเป็นผู้บนผู้ท่องผู้บนผู้เรียนก็ผู้ผู้ใจผู้เขียนก็ผู้ใจผู้อ่านก็ผู้ใจคนตายอ่านไม่เป็นคนตายก็เขียนไม่เป็นเรียนไม่เป็นอีกรวยนั่งททั้งหลายย่นลงมาเป็นอันเดียวเอกนิบาตคือมีบทเดียว โลกก็ดีสังขารก็ดีก็เป็นจริงอยู่อย่างนี้โลกและสังขารเขาก็ไม่ได้เป็นปฏิญญาว่าเราจะเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแต่มันเป็นจริงอย่อยางนี้แล้วพระพุทธมีพระพุทธเจ้าก็ตามไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามความเกิดขึ้นแปรปลวนแตกสลายที่เรียกว่าธรรมนิยามมาตามาตามาตัง แปลว่าไปทางเป็นทางตายอมะตะอมะตงังแปลว่าเป็นทางไม่ตายมีอยู่อย่างนั้น่พระพุทธเจ้ามีอยู่หรือไม่มีก็าตามธรรมนิยามก็มีอยู่อย่างนั้นหรือว่าผลในพ่านก็มีอยู่อย่างนั้นน่สิ่งทั้งหลายพระพุทธเจ้ามาสอกเห็นของจริงมีอยู่ก่อนทุกสมุทัยนิโรธมักมีอยู่ก่อนพระพุทธ พระเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจึงมาซอกเห็นไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ามาซอกเห็นแล้วสิ่งเหล่านั้นจะมีมากขึ้นไปกว่าเก่าก็ไม่ใช่จะลบออกก็ไม่ได้มีอยู่อย่างนั้นประจำโลกอยู่อย่างนั้นถึงเรียกว่าธรรมทิฏฐิธรรมนิยามทิฏฐิแปลว่าตั้งอยู่นิยา ม, มาตาแปลว่าทั้งหลายนิยม นิยมจนหลงกันนิยมคือนิยมยังไงของไม่เที่ยงนิยมว่าเป็นของเที่ยงของเป็นทุกข์นิยมว่าเป็นสุขของไม่ใช่ตัวใช่ตนนิยมว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นแปลกเป็นบุคคลของไม่สวยไม่งามนิยมว่าเป็นของสวยของงามคือสกลร่างกายมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของมาสะอาดมีประการต่างๆ อธิมัตะเหมีงอยู่มีอยู่กายเยมีอยู่ในกายนี้เกษาผมโลมาขลน้าขาเล็บกันตาฟันไปจนจบธรรมนิยามมาตาเพราะนิยมเพราะหลงความหลงจนเคยชินที่นี่มันก็แก้ยาก เป็ น, ป น, ปนอาจินนวัตไม่ใช้วัดตัวดอเร็กวัตระอาจินนวัตเป็นอาจินใจใช่แล้ว ถอนความหลงถอนริมสลักจะไปถอนที่ไหนถอนริมสลักก็ถอนคืนทางเก่าถอนความหลงก็ถอนคืนทางเก่าเหมือนกันถอนตะปูหรือถอนตะปูก็ถอนคืนทางเก่าจะถอนให้ทะลุไปไม่ได้ฉันใดก็ดีจะหลงให้ทะลุก็ไม่ได้ต้องถอนคืน จะเอาโลภชนะโลภก็ไม่ได้ต้องถอนคืนจะเอ า, ก од, าโกรธชนะโกรธก็ไม่ได้ต้องถอนคืนจะเอาหลงชนะหลงก็ไม่ได้ต้องถอนคืนจะเอาเข้าใจผิดชนะเข้าใจผิดไม่ได้ก็ต้องถอนคืนถอยคืนไปทางผิดแล้วก็ต้องถอยคืนยิ่งไปก็ยิ่งหลงเช่นเราหลงทางเราไปไปท่าไรก็ยิ่งหลงไปตะพุท ต, ต้องตามที่เราลงมาจากที่ไหน ลงมาจากไห น, นตามรอยของเราคืนไปหาทางเดิมยิ่งไปก็ยิ่งหลงต้องด้จากทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศเหนือคืออะไรคือคำสอนของพระพุทธศาสนา ทิ่ใต้คืออะไรคือมันใช่คำสอนของพุทธศาสนาว่ามีกายมีวาจามีใจไม่เป็นบ้าบ้าเสียจริตเพมนุษย์ ก็เรียกว่าคําสอนของพระพุทธศาสนาบริบูรณ์แล้วเพราะม่ใช่เป็นคนมาบ้าเสือจิตพิษมนุษย์พอคําสอนสอนออกไปจากสกลละกายสกลละวาจาสกลละใจทั้งนั้นนิทานนิทานกายนิทานวาจานิทานใจกระทู้กายกระทู้วาจากระทู้ใจศีนกายศีนวาจาสีนใจ สมาธิกายสมาธิวายกาสมาธิกายกายทิพก็ดีวาจาทิพก็ดีมโนทิพก็ดีถ้าทําให้เป็นทิพก็เป็นทิพในทางดีถ้าทําเป็นทิพในทางชั่วก็ทําเป็นทิพในทางชั่วสมาธิเป็นของกลางทิพไปทางดีก็มีทิพในทางชั่วก็มีทางชั่วแล้วดีเป็นทิพทั้งนั้นเช่นเราจับายจับเวลาไหนมันก็ร้อนอยู่เหมือนกันนั่น มันก็เป็นของทิพย์ไปทางหนึ่งอีกเหมือนกันเพรเนี่ยผ่านซากของทิพย์ไปแล้วถ้ะทิพย์ในทางชั่วก็ละพอแล้วทิพย์ในทางดีก็สร้างพอแล้วแล้วก็ไม่ได้บัญญัติว่าเป็นของทิพย์เลยพ่นไปอยากทิพย์เสียแล้ว สอนในพิจารณาสกลละกายก็ดีไม่ฮะไม่หวังว่าจะเอาสกลละกายไปพนิพพานด้วยสอนในพิจารณาเพื่อเบื่อหน่่อห า, ายคลายหลงต่างหากสอนในพิจารณาดินหน้าไฟลมก็ไม่ได้หมายว่าจะให้เอาดินน้ําไฟลมไปพระนิพพานด้วย เพื่อมาให้หลงดินเพื่อมาให้หลงน้ำามเพื่อมาให้หลงไฟเพื่อมาให้หลงลมต่างหาภาวนาจิตให้ภาวนาจิตก็ไม่ใช่ให้เอาจิตไปพระนิพพานด้วยจิตเป็นขนทางเข้าสู่พระนิพพานเฉยพระนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่พระนิพพานอีกด้วยปิดจิตเป็นขนทางเข้าสู่พระนิพพานถ้าทำถูกถ้าทำไม่ถูกเป็นขนทางลงนรก ถาจะเทียบเป็นบุคลาธิฐานก็ค้ายกับเรือกับแพจิตค้ายกับเรือกับแพลอีกที่เทียบว่ากายเปรียบเหมือนเรือเหมือนแพลผู้ขับเรือกับแพลเปรียบเหมือนจิตอันนั้นยังนอกโลกที่ลึกไปกว่านั้นอีกจิตก็เปรียบเหมือนเรือเหมือนแพอาศัยจิตปฏิบัติ ศีลสมาธิปัญญารวมลงที่จิตหนทางถูกทางชอบก็รวมลงในทิกจิตหนทางผิดก็รวมลงในที่จิ ต, ท, ท, จตท่านผู้พ้นไปแล้วผู้เข้าสู่พุทธิพานไแล้วไม่ได้บัญญัติว่าจิตพราเหลือที่วิสัยที่จะบัญญัติว่าจิตแค่แล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นกลายไปเป็นธรรมหมดแล้วม่นสมท่าะจะบัญญัติว่าจิตอีก มันหยาดได้แต่เพียงว่าทำอันไม่ตายจิตทั้งหลายกลายเป็นธรรมอันไม่ตายใช่แล้วที่บัญญัติว่าจิตก็เพราะว่าพลหันยังมีชีวิตอยู่จิตของท่านมันมีเจลเอ็บัญญัติได้เท่านั้นถ้าตายแล้วไม่เป็นเหตุที่จะบัญญัติว่าจิตอีก เพระเหลือวิสัยแล้วเหตุฉะนั้นท่านจึงยินยันในพระอภิธรรมว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานนั่นนิพพานต่างหากรูปต่างหากจิตต่างหากเจตสิกต่างหากนิพพานต่างหากนั่นรูปจิตเจตสิกนิพพานน่นนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่นิพพาน ถ้าพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานแล้วเป็นผู้ทรงจิตอยู่พระอรหันต์ก็เป็นเป็นผู้บริหารจิตอยู่ก็ก็เหมือนคนคุมนักโทษถึงก็เป็นทุกข์อยู่เหมือนกันนั่นเหตุฉะนั้นจึงไม่ได้มีจิตเพราะกายเป็นธรรมแล้วกลายเป็นธรรมอันไม่ตายไม่บัญญัติว่าจิตอีกอนุปาทิเสสนิพพานอุปาทิเสสนิพพานคือพระอรหันต์ที่ยังไม่ตาย พระรหันต์ตายแล้วเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานดับทั้งกิเลสด้วยดับทั้งปัญจะขันด้วยพระรหันต์ที่มีชีวิตอยู่ดับแต่กิเลสปัญญขันยังไม่ดับเพราะยังใช่กองนามลูกอยู่แต่กองนามลูกขององค์ท่านไม่มีกิเลสสิง ถ้าเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กที่ไม่มีสนิมถ้าเป็นกิตจกิจที่ไม่มีกิเลสข้าข้ากับเหล็กไม่มีสนิมถ้าปฏิบัติพนระพุทธศาสนาไม่ต้องการหลุดการพ้นการปฏิบัติพนระพุทธศาสนา ก็ค้ายๆก็ว่ามุ่งฟันไม้ไม่ให้ถึงแก่นมุ่งฟันไม้แต่เพียงเปลือกและกะับพี่และเก็ตของมันเท่านั้นถ้ามุ่งเพื่อมรักผลจะผ่านก็เรียกว่าต้องการฟันไม้ให้ถึงแก่นและให้าขาดด้วยและให้โคตด้วย โรนี่บรรจุอะไรบ้างจะว่าบรรจุร่างกระดูกก็ถูกจะว่าบรรจุหนังก็ถูกจะว่าบรรจุดินน้ำไฟลมก็ถูกเพราะสิ่งที่ของแข็งก็บัญญัติว่าดินสิ่งที่เป็นของซชื่มชาวก็บัญญัติว่าธาตุน้ำสิ่งที่เป็นของอบอุ่นก็บัญญัติว่าเป็นธาตุไฟสิ่งที่พัดไปมาก็บัญญัติว่าเป็นธาตุลม ลิ้นก็ดีน้ำก็ดีไฟก็ดีลมก็ดีไม่อยู่ในอำนาจของใครแค่แล้วไม่เรืกว่าเราจะเป็นสมบัติของใคร